ในพระอาวาทปาติโมท่านแสดงไว้สามข้อที่เป็นข้อใหญ่ใจความรวมาศาสนาทั้งหมดและวิธีการทั้งหมวลเกี่ยวกับการปำเพ็ญและปฏิบัติตามหลักาศาสนาอยู่ในหัวข้อทั้งสามนั้นหมดท่านจ้อนไม่ว่า สัพปปะปัสสะากาัละนังการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งไม่ว่าทางกายทางวาจาทางใจกุธระสู้ประสะัม ป, ป, ประดาการยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อมหนึ่งสกิตะประโยดปันนัง รรการทำจิตของตนให้ผ่องใสจนกระทั่งถึงความดบิกบุดพ้นหนึ่งเอตังพุทธานสาสั น, นังวันนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดจัดไว้เป็นแบบเดียวกันเพราะทมเป็นความจริงอันเดียวกัน ผูรูธรรมทั้งหลายก็รู้แบบเดียวกันพระปรีายาญาณสามารถอย่างทราบในธรรมทั้งหลายและพุทธประเพณีที่สืบเนื่องมาแต่อดีตของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็พระพุทธเจ้าแต่ละโพ์ทรงสามารถ ทราบเรื่องราวไดู้ีจึงไม่มีอะไรที่จะผิดเพีย้ยนในการประกาศพระศาสนาแก่สัตว์โลกทั่วไปและวิธีการต่างๆที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงประกาศสอนธรรมแก่โลกหากเราฟังเพียงเท่านี้ ก็รู้สึกว่าง่ายแต่เมื่อแยกขยายทำทั้งสามข้อนี้ออกเป็นขั้นเป็นตอนแล้วจะรู้สึกว่ายากมากการไม่ทำบาปทั้งปวงก็ต้องด้วยกายวาจาใจแล้วบาปมีกี่ประเภทอาการของใจที่จะแสดงออกให้ทำบาป หรือไม่มีอาการเจตนาเกี่ยวข้องเลยแต่กายกับวาจาก็ยังทำบาปได้ใจเองก็สั่งสมบาปได้ทำบาปได้เช่นเดียวกันโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ว่าตนได้ทำบาปก็มีอยู่มากมายเจ้าตัวรู้ทำด้วยเจตนาที่ความมีความชอบใจ ความอยากทำเป็นสาเหตุก็มีไม่มีเจตนาเลยแต่ก็ทำบาปได้ทั้งทางกายวาจาใจด้วยเหตุนี้วิธีที่จะปฏิบัติต่อการไม่ทำบาปนี้จึงเป็นสิ่งที่ยากอยู่มากทีเดียวที่ว่าการ <c oughs> ยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อมทำไมท่านจึงสอนให้ทำความแช่ ความฉลาดให้ถึงพร้อมก็เพราะจิตใจของสัตว์โลกนั้นมีความโง่เป็นพื้นเพย์อยู่แล้วมาแต่การไหนไหนไม่ใช่เป็นความฉลาดเฉลียวมาแต่ก่อนแต่ลรเลยมีพื้นเพแห่งความโง่เขลาบอปัญญาประจําอยู่เป็นพื้นฐานของใจเพราะยิเลสวางพื้นฐานอันโง่ให้แก่สัตว์โลก ตัวเี้ยเลตนั่นไม่ว่าประเภทใดมีความฉลาดแหลมคมมากไม่ได้งูเหมือนสัตว์โลกจึงได้ครอบครองหัวใจของสัตว์โลกได้ทุกๆุกตัวสัตว์ไม่เว้นใครเลยนี่เป็นพื้นฐานดั้งเดิมไม่มีข้อยกเว้น นอกจากผู้มาบำเพ็ญได้สลัดปัดทิ้งสิ่งเหล่านี้เสียได้โดยลำดับลำดับจึงจะเป็นผู้ฉลาดขึ้นมาโดยลำดับและฉลาดอย่างเต็มภูมิดังพระพุทธเจา้าและสาวกทั้งหลายซึ่งไม่มีกิเลสตัวใดที่จะเข้าครอบครองติดใจของท่านได้อีกแล้วการที่จะยังจิตให้มีความเฉลียวฉลาดก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย การจะทำใจให้มีความผ่องใสถึงขั้นบริสุทธิ์ก็เป็นของเกี่ยวเนื่องกันมาตั้งแต่ข้อแรกข้อที่สองโดยลำดับก็มารวมอยู่ที่ข้อนี้ข้อสติปะปริโยรปันนาต้องมีวิมีวิธีการมีผู้ให้โอวาทสั่งสอนมีผู้แนะแนวทางที่ถูกต้อง จึงจะสามารถดำเนินไปได้ตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกคือการพยายามละบาปยังไม่ได้ทางใจก็พยายามละทางกายพยายามละทางวาจาพยายามระมัดระวังจิตใจเข้าไปเป็นขั้นขั้นเหตุที่จะให้มีความฉล า, าดในการรักษา ตัวเองไม่ให้เป็นบาปทางกายวาจาใจนั้นก็เพราะความฉลาดที่เกิดขึ้นจากสติเป็นผู้ควบคุมเป็นผู้คอยสะกิดอยู่เสมอปัญญาก็ค่อยผิดขึ้นมาเรื่อยๆนี่เป็นหลักใหญ่ของการปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้า ที่จะให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองในการประพฤติปฏิบัติธรรมสติจึงเป็นของสำคัญมากเป็นธรรมจำเป็นอย่างยิ่งไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะทำหน้าที่การงานใดงานนอกงานในเฉพาะอย่างยิ่งงานจิตตะภาวนาสติจะเว้นไปไม่ได้เลย นอกจากขนาดหลับหรือจิตได้ลงอย่างแนบสนิทจนไม่มีอะไรเหลือเลยในบรรดาสิ่งที่เกี่ยวข้องแม้ที่สุดร่างกายก็ไม่ปรากฏเลยขณะที่ลงเต็มที่ของตัวเองอย่างนั้นไม่นิยมคําว่าสติไม่นิยมคําคว่าปัญญาเช่นเดียวกับคนนอนหลับแต่ไม่ใช่หลับ ผิดกันที่ตรงนี้นี่เป็นความสงบของจิตความรวมความเป็นองค์แห่งสมาธิเป็นภูมิของจิตอีกเช่นท่านเข้านิโรธสมาบัตินั่นไม่มีคำว่าสติไม่มีคำว่าปัญญาไม่มีคำว่าการสถานที่สมมุติทั้งมวลที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกาย ของตัวก็ไม่มีญาติมิตรสารหิขึ้นชื่อว่าสิ่งเกี่ยวข้องสมบัติพัสถานบริขารเครื่องช้าต่างๆหมดไปโดยสิ้นเชิงในขณะกิจเช่นนั้นจึงไม่นิยมกับคำว่าสตินั่นไม่เกี่ยวและสติท่านท่านผู้เข้านิโรธสมาบัติ กับกจิตที่ลงอย่างแนบสนิทในตัวเองก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันหากเป็นหลักธรรมชาติของจิตเช่นนั้นใครจะไม่มีแก่ใจเสีสัรตั้นยอให้มีสติขึ้นมาอยู่ก็เรียกว่าทำงานอยู่นั่นแหละการมีสติระมัดระวังอยู่เรียกว่าทำงานทั้งนั้นในขณะนั้นจิตไม่ทำงานจิตดูตามสภาพของจิตโดยแค่จิต แม้จะมีกิเลสอยู่ภายในนั้นก็เป็นจิตที่อยู่ในสภาพของตัวเองแห่งความสงบนอกนั้นต้องได้ใช้สติเป็นของสมกันด้วยเหตุนี้แหละสามโลกทั้งหลายจึงปราศจากพระพุทธเจ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าถ้าเป็นหมอก็เป็นหมอชันอ้นเอกไม่มีใครเสมอแล้วรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง เรื่องสมุฐานของโรคเป็นโรคอะไรเกิดมาจากสาเหตุอันใดวิธีที่จะระงับดับโรคนั้นด้วยยาขนาดใดวิธีการใดพระองค์ทรงทราบทุกแง่ทุกมุมในบรรดาธรรมโอสถ์ที่จะมาแก้กิเลสซึ่งเป็นตัวภัยต่อจิตใจการแนะนำสั่งสอน <c oughs> จากพระโอษฐ์จึงมีน้ำหนัก เต็มร้อยปน้อยเปอร์เซ็นต์ผู้ได้ฟังธรรมจากพระโอษนั้นจึงเป็นเหมือนกับหยิบยืนจากพระทัยของพระองค์สวมใส่เข้าไปจิตใจของผู้สดทำดธรรมทั้งหลายเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีปลอมมีแลงไม่มีก้างไม่มีกระดูกมีแต่คุณสมบัติของโอชารสแห่งธรรมล้วนล้วนเต็มในพระธรรมที่ ออกมาจากพระโอษฐ์แล้วสวมเข้าไปสู่จิตใจของบรรดาผู้ฟังทั้งหลายด้วยความเป็นอัตเป็นธรรมด้วยเจตนาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงด้วยเหตุนี้พระสาวกทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังหรือได้สนับธรรมจากพระพุทธเจ้าจึงต้องเข้าอกเข้าใจในความจริงทั้งหลายเพราะธรรมทั้งมวลเป็นความจริงอยู่แล้วโดยปกติพระพุทธเจ้าตรัสจะรู้ถึง ความจริงก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยการแสดงออกถยอเป็นพระโอวาสแจ่บัรดาสัตว์โลกทั้งหลายก็แสดงออกมาจากของจริงที่ ท, ทรงรู้แล้วเห็นแล้วไม่สงสัยแม้แต่นิดหนึ่งในพระไตรทําจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยในการอบรมสั่งสอนผู้ฟังฟังด้วยความเต็มอกเต็มใจฟังเพื่อความรู้แจ้งแทงตลอด เพื่อรู้ความจริงทั้งหลายจึงพ้นไปไม่ได้ที่จะไม่ทราบซึ้งถึงความจริงที่มีอยู่กับตนทั้งๆ ท, ท, ที่แต่ก่อนไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรแต่เมื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เปิดเผยความจริงขึ้นมาในจิตใจของเราซึ่งเป็นผู้มุ่งต่อความจริงอยู่แล้วอยากทราบอยู่แล้วขึ้นชั่วว่าความจริงทุกแง่ทุกมุมต้องทราบขึ้นมาโดยลาดับลำดา โดยเหตุนี้ผลจึงปรากฏในขณะที่พระองค์ทรงสแสดงต่อนหน้าพุทธบริษัทมีภิกษุบริษัทเป็นต้นได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นลำดับลำดาและได้สำเร็จมักผลนิพพานเป็นจำนวนมากมายตามแต่ผู้เข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยในเบื้องต้นก็ยังไม่มากเพราะผู้ฟังมีน้อยผู้ปฏิบัติมีน้อย เขายังไม่เข้าใจด้วนศาสนาว่าเป็นอย่างไรดังที่ทรงแสดงแก่เบญจวัคคีย์ทั้งห้าก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเพียงห้าองค์นั้นเท่านั้นในเบื้องต้นต่อจากนั้นไปก็ค่อยขยายกว้างขวางไปสําเร็จมรรคผลนิพพานแต่ละครั้งจํานวนมากขึ้นมากขึ้นผู้มาเกี่ยวข้องมีมากเพียงไรซึ่งเป็นเหมือนคนไข้ที่รอรับยาอยู่แล้วยาก็เป็นธรรมโอสถอย่างเอก หมอเป็นหมอชั้นเอกคือพระพุทธเจ้าทรงเป็นหมอใช้เองด้วยแล้วก็เข้าบรรจบกันได้โดยถูกต้องเหมาะสมผลจึงเป็นเทตุให้สำเร็จมรรคผลนิพพานไปโดยลำดับนับหรือว่าหายจากโรคเสียแทงหัวใจหรือโรคที่เคยขยี้หัวใจมาเป็นเวลานา ได้แก่พิเรนตตัญหาอาสวะประเภทต่างๆใน้สลายตัวไปหมดเหลือตั้งแต่ธรร ม, มชาติตล้วนคือธรรมที่บริสุทธิพุโทโธเป็นขั้นๆไปตั้งแต่พระโสดาสกิทาอนาคาจนทั่งถึงอาร่าจตกบุคคลเป็นผู้ครองสมบัติอันล้นค้าขึ้นภายในจิตใจได้นี่คือ หมอชั้นเยี่ยมศาสตราชั้นเอกทรงสั่งสอนสาธโลกด้วยความรู้แจ้งเห็นจ ร, จ, รจริงจริงผลจริงปรากฏเช่นนั้นที่นี่บรรดาสาวกทั้งหลายท่านที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเต็มภูมิของตอนแล้วก็แนะนำสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาต่อแข น, แนง ออกไปโดยลำดับลำดาทำให้พระศาสนากว้างขวางให้คนรู้เข้า อ, อกเข้าใจในาแง่ธรรมตลอดมรรคผลุผล่านกว้างขวางไปโดยลำดับลำดับไม่มีที่สิ้นสุดเพราะการแสดงทำอันถูกต้องดีงามให้ฟังนี่เมื่อสรุปลงมาใน ย่นเข้ามาในสมัยปัจจุบันนี้แล้วมีผู้ใดที่จะสามารถประพฤติปฏิบัติตนได้เป็นที่ถูกต้องเหมาะสมกับสุขาตธรรมที่ตัดไม่ชอบแล้วนั้นมีจำนวนเท่าไหร่นี่เราต้องคิดเอาตรงนี้ก่อนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักแห่งสุขาตะธรรมที่ตัดไม่ชอบแล้วนั้นมีมากเท่าไหร่จิตใจของผู้ทิ่ น้อมเข้าสู่ความจริงแห่งธรรมทั้งหลายเพื่อความหยุดทนเหมือนครั้งพุทธ ก, กาลนั้นมีมากเพียงไรสิ่งเหล่านี้ต้องลดลงไปโดยลำดับลาดับจนกลายเป็นเรื่องที่ว่าบวชเป็นประเพณีดูเป็นประเพณีบวชเป็นประเพณีอะไรก็กลายเป็นประเพณีไปหมดความรู้สึกโทษรู้สึกคุณ ในจิตใจตนเองเกี่ยวกับเรื่องพระศาสนาไม่ค่อยจะปรากฏเมื่อเป็นเช่นนั้นมรรคผลนิพพานจะล่วงไหลหลงมาจากทิศจากแดนใดเข้ามาสู่จิตใจของผู้นั้นได้แล้วเพราะทมเป็นองค์แห่งเหตุผลอยู่แล้วทมเป็นธรรมชาติแห่งความจริงอยู่แล้วคนผู้ปฏิบัติไม่จริงทำไม่จริง เจตนาหรือจิตใจภาชนะซึ่งเป็นภาชนะอันสําคัญนั้นมันคว่ำมันตะแคงไปไหนก็ไม่ได้แล้วน้ําที่ไหนจะไปเที่ยวไหลซอกแทกเข้าไปสู่ภาชนะเช่นนั้นยิ่งน้ําอัดน้ํำทำด้วยแล้วถ้าไม่ได้ตั้งใจฟังด้วยเจตนาเหมือนอย่างว่าล้นพ้นเจตนาอยากรู้อยากเห็นทำนั้น ล้นพ้นในหัวใจท่วมทนในหัวใจผู้นั้นมีหวังจะรู้ได้เห็นได้โด ย, ยไม่สงสัยเพราะความหวังมีกำลังมากความเพียรความสนใจทุกอย่างเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในอัตธรรมทั้งหลายก็ต้องมีมากเหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนั้นความภาคเพียรก็ต้องหนักมือไม่อยู่ด้วยความประมาท นอนใจในเอียบุตรต่างๆแม้ะตุปัจัยทั้งสี่จีวรมิสมบาทเดยนาสนะทิ่ลานะเพศัะซึ่งเป็นสิ่งที่อาศัยนั่นก็สักแต่ว่าอาศัยจริงๆจิตใจไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องพัวพันยึดถือสิ่งแล่นั้นเป็นอารมณ์จนเป็นของกินขึ้นมาแทนอัตธรรมซึ่งเป็นของกินทั้งหลายท่านไม่มี มีแต่ศักแต่ว่าอาศัยไปวันหนึ่งวันหนึ่งอะไรจะมีมากมีน้อยขาดตกบกพร่องไม่สนใจให้เสียเวลามันยิ่งกว่าการสนใจในอัดในธรรมและการประพฤติปฏิบัติอัดธรรมของตนไปทุกอาการแห่งความเคลื่อนไหวและทุกอิ dea บทเว้นแต่หลับเสียเท่านั้นนี่เป็นความหนักแน่นในอัดในธรรมอย่างไรต้องรู้ต้องเห็นในธรรมทั้งหลาย เมื่อมีครูอาจารย์ผู้ที่รู้จริงเห็นจริงแนะนำพรฒนสอนอยู่ไม่สงสัยว่าจะเป็นไปไม่ได้ในจิตดวงเช่นนั้นบุคคลผู้เช่นนั้นพระองค์เช่นนั้นต้องเป็นเจ้าของสมบัติแห่งมรรคผลิพานโดยไม่ต้องสงสัยเพราะสวดหาธรรมนีก็รัดไว้ชอบตลอดมาอยู่แล้ว ตั้งแต่ครั้งพุทธการมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นสวคขารธรรมเพื่อนำสัตว์โลกให้พ้นจากทุกได้เช่นเดียวกันและคำว่ามัชิมาปฏิปทาก็เป็นธรรมที่เหมาะสมแก่การปราบปรามกิเลสทุกประเภทให้สิ้นไปจากใจเพื่อมรรคผลนิพพานที่จะได้บรรจุเต็มหัวใจของตนเช่นเดียวกันกับครั้งพุทธการ ท, าท่านจึงเรียกว่ามัชชิมา คือความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาทั้งฝ่ายเหตุคือการ ป, าปราบกิเลส ด, ด้วยความเพียร้วยอาวุธมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นสําคัญเหมาะสมในการที่จะปราบกิเลสทุกประเภทไม่มีกิเลสประเภทใดที่จะมีอํานาจเหนือมัชฌิมาปฏิปทาของพระพุทธเจ้าไปได้เลยเมื่อได้ยินได้ฟัง ตามหลักธรรมที่ท่านประพฤติปฏิบัติภูบาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติและรู้จริงเห็นจริงมาแล้วมาสั่งสอนด้วยความจริงที่เคยรู้เคยเห็นมาแล้วแกผู้ที่มีความสนใจเพื่อมรรคผลนี้ผ่านอย่างเต็มใจอยู่แล้วผู้นั้นต้องได้รับผลเป็นลำดับลำดาเราเองไม่สงสัยเพราะธรรมนี้เป็นธรรมที่ท้าทายอยู่แล้ว ความท้าทายก็หมายถึงว่าไม่มีเอ็นมีเอียงไม่สะทกสะทานถ้าเป็นคน <c oughs> แน่ต่อความจริงเพราะเป็นความจริงอยู่แล้วเป็นของจริงอยู่แล้วเป็นของแน่นอนตายตัวอยู่แล้วในการที่จะรับสนองผู้นาธรรมนี้ไปปราบปรามพี่เล็เอา้าวปัญญาเป็นต้นนะปัญญามีความฉลาดแหลมคม <c oughs> ถ้าผิดให้มีให้เกิดขึ้น สติเป็นสิ่งที่ผลิตได้เป็นสิ่งที่อบรมให้มีความแก่กล้าสามารถได้ปัญญาเป็นธรรมชาติที่จ ะ, จะละเอียดแหลมคมเข้าไปโดยลําดับลําดับควรแก่การปราบปรามกิเลสประเภทนั้นๆโดยลําดับจนกระทั่งกิเลสละเอียดสุดปัญญาก็สูงสุดได้แก่มหาสติมหาปัญญาเหมาะสมกับการปราบปรามกิเลสขั้นละเอียดสุดจนถึงนิมมติผนิพาน ไ, ไม่นอกเหนือจากมัธิมะปฏิปทาที่ทรงสอนไว้แล้วนี้โดยถูกต้องมันยํามัน่นเลยแต่การที่จะประพฤติปฏิบัติอุบายต่างๆที่จะนํามาปฏิบัติตนเองเป็นสิ่งสําคัญมากถ้าไม่รับการศึกษาอบรมเพียงเราไปดูตามสําหรับตําลาเราไม่ได้ประมาทาหรับตําลาท่านแสดงไว้เป็นกลางกลเหมือนกับยาที่ บรรจุไว้ในตู้เต็มตู้เต็มหีบมีแต่ยาทั้งนั้นแต่ถ้าไม่ทราบว่ายาขนานนั้นขนานนั้นรักษาโรคชนิดใดแล้วนํายานั้นมารักษาอย่างน้อยก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์มากกว่านั้นก็เป็นอันตรายธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นเดียวกันธรรมะนั้นจริงแต่ ผู้ไปหยิบเอาธรรมะประเภทนั้นๆมาปฏิบัติต่อตอนเองนี่หยิบมาไม่ถูก mm hmm. เมื่อเอามาปราบกิเลสแทนที่จะเอาทางคมลงก็กลับอสันลงเสีย mm hmm. แล้วกลายเป็นยื่นด้ามดาบให้กิเลสฟันเจ้าของอีกเสียเพราะไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติด้วยเหตุนี้การศึกษาอบรมจากครูจากอาจารย์ที่ท่านดำเนินมาแล้ว ด้วยความชำนิชำนาญและดูแจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายภาคสมาธิภาคปัญญาตลอดภาควิมุตต์หลุดพ้นมาโดยลำดับแล้วนั่นจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะไม่ทําผู้นั้นซึ่งมีความตั้งใจยอย่างเต็มใจยอยู่แล้วให้เสียเวลาเวลาและเหนื่อยเปล่าๆยกตัวอย่างเช่นสมัยท่านอาจารย์มั่นแสดงธรรม ไม่มีตรงไหนที่คําว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้เราไม่เคยได้ยินจากท่านนับแต่ไปอยู่กับท่านมาจนกระทั่งวันท่านมรณภาพจากไปก็เป็นเวลาแปปีไม่เคยปรากฏคําว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่มีมีจะ ต, ต้องเป็นอย่างนั้นต้องปฏิบัติอย่างนั้นต้องพิจารณาอย่างนั้น แล้วต้องรู้อย่างนั้นโดยไม่ต้องสงสัยขอให้ทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็แล้วกันนี่ไม่ว่าอย่างไหนเป็นคำที่ท่านถอดออกมาจากความจริงที่ท่านเคยปฏิบัติและรู้เห็นมาแล้วทุกแง่ทุกมุมโดยไม่สงสัยคำว่าหน้าจะเป็นอย่างนั้นนี้จึงไม่ปรากฏในจิตใจของท่านเพราะท่านไม่มีของปลอมที่ไปแทรกนั้นพอให้ที่จะให้นาแบบ ทำงูป่าออกมาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้มีแต่ของจริงล้วนจึงแสดงออกมาด้วยความแน่ใจว่าต้องเป็นอย่างนั้นนั่นเป็นต้นเนี่ยการที่จะละบาปทางกายวาจาใจอก็ไม่ใช่เป็นของยอดเกี่ยวโยงกันกันกบชริจะกริจัประโยช น, น์ปัญหา คือข้อสุดท้ายได้แก่ข้อที่สามเป็นธรรมเกี่ยวโยงกันการจะทำจิตให้เฉลียวฉลาดจากความโง่ที่เป็นพื้นฐานมานั้นก็ต้องได้อาศัยการอบรมการศึกษาจากครูจากตำหนักตำราและอบรมจากครูจากอาจารย์ที่เป็นที่แน่จัจในวิธีการต่างๆที่จะให้เกิดความฉลาดขึ้นมาด้วยจิตตะภาวนา เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องสำเนียบศึกษาอย่างเอากิ้งเอาจังกับครูกับอาจารย์นี่เป็นสำคัญมากเมื่อเราดำเนินทางด้านจิตตะภาวนาโดยถูกต้องไม่ผิดแล้วความสงบของใจ แม้จจจะเคยฟุ้งซ่านลำคาญมาแสดงผลให้เผาจิตใจของตนยิ่งกรอบผูเขาไฟก็าตามอย่างไรก็ไม่พ้นสติกับปัญญาศรัทธาความเพียรที่นำมาห้ามหันกันกับกิเลสประเภทพาฟุ้งซ่านลำคานนี้ให้สิ้นไปได้โดยไม่ต้องสงสัยต้องได้รับความสงบจากยิเตภาวนาด้วยความมีสติ กำกับงานของตนนี่คือวิธีการจะทําจิตให้มีความฉลาดและให้รู้วิธีละบาปไม่ทําบาปทางใจทางกายทางวาจาออกมานี่เป็นของหยับๆด้เป็นสิ่งสําคัญที่สร้างบาปแกะให้แก่ตัวเองอยู่เสมอบาปคือความเศร้าหมองบาปคือความมืดตื้อผลของบาปก็คือความทุกข์มันสร้างอยู่ภายในจิตใจเสมอ เราพยายามหักห้ามความคิดที่เป็นค่าสิทธต่อธรรมหมว่าความคิดประเภทใดที่เป็นค่าสิทธต่อธรรมแล้ว ก, ก็ชื่อว่าเรากับธรรมนั้นทำลายตัวเองทำลายธรรมซึ่งมีอยู่ในตัวของเราเองสุดท้ายก็เรียกว่าเราทำลายตัวเราเองเจิงต้องฝึกจิตใจให้มีความเฉียวฉหลมทันกับกลมายาของจิตที่คิดในแง่ต่าง นอกรูนอกทางดังที่เคยเป็นมาด้วยความมีสติเมื่อจิตมีสติเป็นเครื่องกำกับในองค์ภาวนาและการรักษาใจตนอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วจิตก็มีผู้รักษาจิตมีผู้เลี้ยงจิตก็ปลอดภัยจิตไม่ได้รับความลำบากลาบนความทุกข์ความทรมานซึ่งเป็นผลเกิดมาจากที่เด็ก ทิ่มแทงหัวใจหรือบีบบี้ทำลายจิตใจใจก็สงบเย็นได้เมื่อใจสงบเย็นได้ใจก็มีความสุขเมื่อมีพื้นฐานแห่งความสงบอยู่ภายในจิตพอที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาได้แล้วเมื่อเป็นโอกาสที่จะพิจารณาทางด้านปัญญา คือนอกจากขณะที่จิตมีความจิตสงบอยู่ในองค์สมาธิองค์ภาวนาแล้วเราก็ใช้ปัญญาพินิตพิจรารณาการพิจารณาก็ต้องถือธาตุขันธาตุสี่ดินน้ำลมไฟหรือขันห้านี้เป็นสนามรบคลี่คลายดูเรื่องต่างๆสิ่งต่างๆภายในขันทั้งห้านี้มีรูปประขันเป็นสำคัญ เหมาะสมกับภาคพื้นเบื้องต้นที่เราจะพิจารณาทางด้านปัญญาคลี่คลายร่างกายมีให้เห็นจะชวนมากก็เป็นเรื่องของปฏิกูลเชียก่อนเพื่อจิตจะได้สงบตัวลงไปเพิ่มตัวเข้าไปอีกเพราะคำว่าปฏิกูลหรืออาสุภานี้เป็นคู่ปรับกันกับความฟุ่งซ้า น, นํำคาร ไปด้วยอำนาจแห่งราคะตัณหาเรื่องเป็นตัวคึกขนองอยู่ไปจำใจตลอดเวลาตัวนี้เป็นตัวที่กวนมากทําลายจิตใจมากรบกวนจิตใจมากยุแย่มากกระทิบกระซาบมากหาความสงบไม่ได้ใจของค น, คนเราก็เพราะธรรมชาตินี้เป็นผู้ยุแย่ก่อกวนมากที่สกว่าที่เหลกประเภทอื่นใด เพราะฉะนั้นจึงต้องพิจรนนารณาเพื่อเป็นคู่ปรับกันให้จิตได้เห็นความจริงภายในร่างกายของตนและของคนอื่นที่มันไปรักไปชอบกับผู้ใดแยกขยายออกดูสกลกายทุกชิ้นทุกส่วนนับตั้งแต่ผิวหนังที่เห็นว่าสวยงามเรียงเลา่านี่เข้าไปจนกระทั่งถึงภายในและ ภายในที่สุดในร่างกายนี้แยกขยายกันออกหรือจะกาหนดให้ตายเน่าพองกันก็ได้แลกแตกก็จะกระจายออกจากกันไปแล้วเป็นสิ่งที่น่าดูหรือไม่ผิวหนังที่ว่าเป็นสิ่งที่สวยงามเพี้ยนเกา่าน่ารักใครชอบใจ ก็กลายเป็นของปฏิกูลกันไปหมดเลยไม่มีคำว่าผิวหนังมีตั้งแต่ของปฏิกูลเต็มหมดทั้งภายนอกภายในเห็นได้อย่างชัดเจนตามดับความจริงประผลขั้นนี้ขั้นยิดย่อมสงบตัวเข้ามาจากความฟุ้งเฟ้อเหือหืมราคะตัณหาที่เสกสรรตั้นยอสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ว่าเป็นของสวยของงามเป็นของที่น่ารักใครชอบใจเมื่อได้พิจารณา ปัญญาแยกแยะเห็นสิ่งอย่างนี้โดยลำดับํำดาลแล้วจิตแม้จะคึกขนองยิ่งกว่ามา้าตัวขนองก็ตามจะพ้นอำนาจแห่งธรรมะเหล่านี้ไปไม่ได้ย่อมจะถอยตัวเข้ามาสู่ความสงบนอกจากนั้นยังเห็นโทษแห่งสิ่งเหล่านั้นด้วยเห็นภัยแห่งสิ่งนั้นด้วยเห็นความเป็นของปฏิกลหน่าเบื่อหน่าย ถอนตัวเข้ามาโดยลําดับําดับด้วยนี่คือวิธีการที่จะทำจิตใจให้สงบเป็นอุบายปัญญาคือความฉลาดประเภทหนึ่งนี่ท่านบอกกุรลสู้ประสมประตาย่างจิตทั้งตนให้มีความเฉียวฉลาดกุศลกุศลกุศลกุศลกุศลก็คือความฉลาดให้ฉลาดไปอย่างนี้โดยลาดับจะฉลาดในแง่ใดก็ตามถ้าไปแง่น ทำจิตใจให้ถอดถอนจากสิ่งเกี่ยวข้องผัวพันุ์หมดกังวลไปโดยลําดับแล้วชื่อว่าเป็นจิตที่ฉลาดเป็นอุมายที่ชอบทมหรือเป็นอุบายที่ฉลาดเมื่อพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้และถืองานเหล่านี้เป็นงานประจําชีวิตประจําหน้าที่ของตนประจําเพศของตนอยู่แล้ว ทำไมจะไม่รู้แจ้งเห็นจริงในความจริงทั้งหลายที่มีอยู่เต็มร่างกายของเราของเขาของท่านของใครก็ตามมันเป็นธรรมชาติอย่างนี้กันหมดเป็นแต่เพียงว่าผิวหนังบางๆมาห่ออยู่ด้วยผิวหนังบางๆเท่านั้นเพียงเท่านั้นเราก็ติดเหลือบางๆเท่านี้ก็ติดเหลือปัญญาแทงทะลุเข้าไม่ได้เลยปัญญาพระพุทธเจ้าปัญญาของสาวก ท่านเอามาจากไหนท่านถึงแทงทะลุได้ร่างกายของท่านใหญ่โตขนาดไหน <c oughs> ก็เท่าเท่ากันกับพวกเราทั้งหลายทําไมท่านแทงทะลุไปได้หมดปวดเครื่องออกได้หมดอันนี้มันจะเหนียวแน่นที่ตรงไหนร่างกายทุกส่วนไม่มีความเหนียวแน่นมั่นคงไปติดไปพันผู้หนึ่งผู้ใดจิตใจดวงใดเลยนอกจากใจของตัวเองมันคึกมันขนองไม่เข้าเรื่องเข้าลาคิดออกนอกลู่นอกทางเศษสันปัญยศสิ่งที่ปลอมแปลงทั้งหลาย ว่าเป็นของดิบของดีแล้วสิ่งเหล่านั้นก็มาผัวพันจิตใจเป็นปืนเป็นไฟเผารนตนเองต่างหากไม่เห็นมีอันใดที่จะเป็นไปตามความคิดสําคัญมั่นหมายหรือปั้นหยอนนั่นเลยนี่การพิจารณาเอาพิจารณาให้เห็นอย่างนี้พิจารณาหลายครั้งหลายหนจนเป็นพื้นของจิตสร้างฐานของจิตทั้งสมาธิคือความแน่นหนามั่นคง ทั้งฐานต้องปัญญาให้มีความฉลาะหนาแยบคายไปโดยลำดับเพราะการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นเหมือนหินรับปัญญาให้คมกล้าจิตย่อมมีความเฉลียวฉลาดคล่องตัวไปโดยลําดั บ, ดบสุดท้ายก็ยังเข้าสู่ความจริงโดยไม่ต้องสงสัยถ้าพูดถึงเรื่องปฏิกูลก็เต็มอยู่ตัวอยู่แล้วตลอดเวลาไม่มีการบกพร่องไม่ว่าหลับว่าตื่นเดินเดินด น, นั่งนอนร่างกายของคนคนหนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งของใครของใครของ ก็ตามมันเป็นเหมือนกันนี่หมดจิตจะต้องซึ้งไปตามหลักธรรมชาติอันนี้แล้วจะตื่นเต้นที่ไหนเมื่อปัญญาได้สอดแทรกไปเห็นทุกแง่ทุกมุมตามหลักความจริงแล้วไม่ฝืนความจริงไปได้เลยต้องถอยตัวเข้ามาสู่ความสงบปล่อยวางไปได้เป็นลำดับลำดับขอจะให้พิจรารณาให้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจริงเป็นจังเถ จะไม่พ้นจากความรู้จริงเห็นจริงในสิ่งนี้ด้วยปัญญาไปได้เลยเมื่อพิจารณาไปมากซึ่งการพิจารณาก็คืองานของจิตเรียกว่าจิตทำงานแล้วก็เข้าสู่สมาธิคือความสงบเสียในบางการที่เห็นว่าเหมาะสมที่เราจะเข้าสู่ความสงบก็เข้าสู่ความสงบโดยไม่ต้องไป เป็นกังวลกับด้านปัญญาด้านพิจนาคลี่คลายจินต่างๆทั้งหลายหมดมีแต่อารมณ์อันเดียวที่จะทําใจให้มีความสงบแล้วพักจิตให้สงบเต็มภูมิเต็ ม, มฐานของจิตไม่ต้องห่วงใยกับหน้าที่การงานใดๆที่เคยพิจารณามาเลยราวกับว่าเราไม่เคยพิจานาอะไรเลยเวลานั้นมีอารมณ์อันเดียวมีจิตมุ่งมั่นอยู่อันเดียวที่จะทําใจให้สงบก็ จนมีความสงบเต็มที่แล้วเมื่อจิตมีความสงบพอตัวอีมตัวแล้วก็ถอนออกมาพอจิตคลี่คลายออกมาจากความสงบตัวแล้วก็ยก <c oughs> งานนี้ให้จิตทาให้พิจารณาเป็นพื้นฐานเป็นงานประจำจิตเป็นงานประจำสติปัญญาอยู่เช่นนั้นเทียบข้างในเทียบข้างนอก เทียบเขาเทียบเราเข้าสู่ความจริงอันเดียวกันหมดโล ก, กธาตุนี้ก็เป็นความจริงอย่างเดียวกันหมดเมื่อได้แทงทะลุสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความจริงแล้วย่อมสามารถจะแทงทะลุไปหมดทั่วใจโล ก, กธาตุที่เรียกว่าโล ก, กวีกทูเพราะมันเหมือนกันหมดความจริงก็เป็นเหมือนกันหมดพิจนาสอดแทรกลงไปให้เห็นจริงก็จริงตามกันหมดแล้วจิตจะทนปล่อยวางได้อย่างไร นี่เป็นขั้นของปัญญานี่เรียกว่าทาจิตให้มีความฉลาดก็ฉลาดเปลกเรื่องสิ่งที่ผัวพันอยู่ภ า, ายในจิตใจของตนให้หมดไปโดยลาดับําดับนั่นแหละท่านเรียกว่าความฉลาดในด้านธรรมะฉลาดเพื่อถอดเพื่อถอนฉลาดเพื่อความสงบเย็นใจของตนเองไม่ใช่ฉลาดเพื่อก่อทุกข์เผาลนตัวเองเหมือนนัโลกทั้งหลายทั่วไปที่เขาว่าฉลาดฉลาด นั่นมันฉลาดแบบโลกฉลาดแบบธรรมแบบพระแบบนักปฏิบัติต้องฉลาดในการถอดถอนปลดเรื่องอารมณ์ต่างๆให้ทันกับปรญมายาของกิเลสที่แสดงขึ้นมาจากใจของตนเองด้วยอุบายของสติปัญญานี่เรียกว่าฉลาด <c oughs> <c oughs> เมื่อความฉลาดมีมากขึ้นมากขึ้นก็ยอมจะเห็นชัดตามเป็นจริง กว้างขวางออกไปละเอียดรอเข้าไปพิเยธที่เคยคึกเคยขนองสร้างลงสุรายาเมาลงเพิดลงเพลินลงลำบำลำโป้ลำเป้อะไรก็ตามอยู่เคยอยู่บนหัวใจมันจะพังทลายลงไปโดยลาดับลำดั บ, นบนจนไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในในใจนั้นหละเพราะอานาจของสติปัญญาที่พิจารณาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไง นี่อุบายแห่งการพิจรารณาเป็นอุบายที่สดสดร้อนร้อนไม่ขึ้นอยู่กับคำว่าพระพุทธเจ้าปริพานไปนานทาได้ล่วงการผ่านสมัยมานานได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีเป็นธรรมที่สดสดร้อนร้อนเป็นมัชฌิมาเรียกว่าสดสดร้อนร้อนเหมาะกับการปราบกิเลสของเราอยู่ตลอดเวลา นํานมาปราบถ้าไม่นํามาปราบแม้จะไปจับทายกีวรของพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้นั้นได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าการตามเสด็จพระพุทธเจ้าก็คือการปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมสมควรแก่ธรรคือเป็นการรื้อถอนจิต่อไปด้วยการปฏิบัติโดยชอบธรรมโดยสม่ําเสมอ น, น, นั่นแหละ คือ ผ, ผู้ตามสเสด็จพระพุทธเจ้าแล้วการรู้เห็นความจริงมากน้อยโดยลําดับนั้นดับจนกระทั่งเห็นความจริงเต็มสัดเต็มส่วนก็ชื่อว่าผู้ได้เห็นองค์ตถาคตเป็นลําดับนั้นดับจนได้เห็นองค์ตฐานโคตโดยสมบูรณ์ซึ่งธรรมท่านก็กล่าวไว้แล้วว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตก็ามหมายที่เห็นความจริงนั่นเองการปฏิบัติเป็นอย่างนี้ เนี่ยการดังจิตให้ฉลาดเมื่อจิตมีความฉลาดภายในตัวจิตก็ย่อมมีความสงบผ่องใสไปได้โดยลําดําดับการสร้างบาปทางกายวาจาใจก็ลดน้อยลงน้อยลงผลที่สุดจิตก็เพิ่มขึ้นมาในแง่ใดสติปัญญาทันหมดและจิตจะมีโอกาสสร้างบาปที่ไหนเมื่อจิตฉลาดพอแล้วย่อมไม่สร้างบาปขึ้นในตัวเอง จิตก็ผ่องใสผ่องแผ้วจากนั้นแล้วก็กลายเป็นจิตที่เบยิยสุดขึ้นมาเพราะความฉลาดมีกำลังมากเป็นลำดับลำดาจนถึงขั้นมหาสติมหาปัญญายิเรศจะหลบซ่อนอยู่ที่ไหนเป็นไม่ไม่มีเหลือไม่มีเหลืออำนาจของสติปัญญาขั้นนี้ไปได้จะต้องถูกทำลายไป คิปหายป่นปี่ไปหมดนั่นแหละตอนกิเลสมันคิบหายป่นปี้ไปหมดเพราะอำนาจของสติปัญญาอัตโนมัติแล้วเป็นจิต ท, ที่บริสุทธิ์เอตังพุท ธ, ธานัสขาสนังแล้เท่าวาของพระเจ้าทุกองค์ท่านสอนอย่างนี้จิตจะถึงขั้นผ่องใสหรือบริสุทธิ์ได้ด้วยวิธีการที่กล่าวมาหลังท่านสอนแบบเดียวกันหมด ไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดสอนโลกเอาธรรมะยากๆไว้ให้แก่โลกองค์นั้นเอาธรรมะง่ายๆมาให้โลกสอนมามาสอนโลกองค์นี้ยิ่งง่ายกินแล้วให้นอนทั้งวันทั้งคืนอยู่เถอะมักผลนิพพานจะเกิดขึ้นเองเพราะพระพุทธเจ้าองค์นี้สอนท่านสอนง่ายที่สุดเหมาะสมกับจดนิสัยของจัตโลกที่ เป็นความซับเพ่ามาง่ายขี้เกียดขี้คร้านนอนไม่รู้จักตื่นกินไม่รู้จักอิ่มพอแล้วเหมาะสมกับธรรมะของศ า, ศาสาดาองค์นี้ท่านมาสอนแบบนี้เหมาะสมกับสัตว์โลกประเภทนี้แล้วสัตว์โลกก็ได้ผลเป็นที่พึงพอใจตามพระวาทของพระพุทธเจ้าที่สอนอย่างง่ายๆนี้ดังนี้ไม่มี เพราะฉะนั้นพวกเราอย่าไปสนใจอย่าไปคิดถึงเรื่องความขี้เกียจขี้คร้านเรื่องความหนักความเบาความลาบากลาบนว่าจะให้ผลเป็นที่มงคลแก่เราอย่างอื่นอย่างหนึ่งอย่างใดเลยนอกจากหนักข้ออาเบาข้อสู้เราเข้าก้าวเข้าสู่ความเป็นนักรบเข้าสู่สงครามระหว่างกิเลสกับธรรมกับเราแล้ว เราต้องสู้เสมอไม่มีการท้อถอยเพราะพระโอาวาทของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นั้นเป็นแบบเดียวกันดังที่อธิบายมานี้ไม่มีพระโอาวาทที่สอนสัตว์ให้นอนอยู่ในอู่ในเปลยสะดวกสบายพิเรศ จ, จะพังทลายไปหมดเมื่อระลึกถึงรธรรมพระพุทธเจ้าเพียงเท่านั้นอย่างนี้ไม่มีพอที่เราจะนอนใจพอที่เราจะเห็น คุณค่าของความขี้เกียจที้คร้านบ้างเลยไม่มีจึงนอกจากเห็นคุณค่าแห่งความภาคเพียรเห็นคุณค่าแห่งความขายันหมั่นเพียรความอดความทนเห็นคุณค่าแห่งความเฉลียวฉลาดทางส ต, ติปัญญาของนักปฏิบัติเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะเป็นทางพ้นจากทุกข์ดึงขอให้ทาความแน่ใจกับตัวเองอย่าให้มีแต่ครูบาอาจารย์สั่งสอนแทบล้มแทบตายสั่งสอน แต่ละครั้งเราห้นนี้ก็ท่มมลงซะจนจะสลบสาลัแล้วผู้ฟังถึงใจอย่างไรบ้างหรือไม่ถ้าถึงใจแล้วกิเลสมันก็ควรจะกระเพื่อนบ้างมันควรจะหาที่หลบที่ซ่อนบ้างมิฉะนั้นมันก็ต้องตายไปโดยลำดับพ่อมันไม่ตายลูกมันก็ต้องตายลูกมันไม่ตายหลานมันต้องตายนแน่ๆกิเลสถ้าเราฟังอย่างถึงใจ เห็นโทษของกิเลสถึงใจการพูดปฏิบัติจะไม่ถึงใจได้อย่างไรเมื่อถึงใจแล้วก็ต้องถึงกิเลสเพราะกิเลสอยู่ที่ใจเมื่อถึงกิเลสแล้วกิเลสก็ต้องหลุดลอยออกไปนับตั้งแต่ลูกเต้าหลานเลนของกิเลสจนกระทั่ ง, งพ่อแม่ปู่ย่าตายายของกิเลสจะไม่มีเหลืออยู่พาณจิตใจเลยถูกมัิมาปฏิบัติธรรของนักปฏิบัติที่ทันสมัยคือวัดทันกับกิเลสนี้ปราบปรามให้เรียบไม่มีเหลือเลยหลุดพ้นกันที่ตรงนี้ การหลุดพ้นจากทุกข์หลุดพ้นที่มันมีทุกข์อยู่นั่นแหละเวลานี้ทุกข์อยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ที่ใจกิเลสอยู่ที่ใจทุกข์จึงมีอยู่ที่ใจเพราะคําว่าทุกข์ได้แก่เป็นได้แก่ผลของกิเลสสมุทัยคืออะไรนันที่ราคะสหกตาตตะตระไอพงนาญดินีเซย์อยู่ที่นางกามัณาพรตัตนาวิพาตนาได้แก่อะไรอยู่ที่ไหนกามาพราตาความรักความใคร่ ในกิเลสกามวัตถุกรรมมันเต็มหัวใจอยู่นี่มีความบกพร่องที่ไหนเวลานี้นี่มันอยู่ที่นี่กรารพัฒนาภาวตระหนา่วาววิพัฒนาอยู่ที่หัวใจนี้ออืคําว่าสมาธิฏฐิสมาสังกัปปะจนกระทั่งสมาสมาธิเป็นซึ่งเป็นเครื่องมือปราบกิเลสอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่ใจใจไม่ปิดขึ้นมาใครจะปิดขึ้นมาใจไม่นํามาภาคฟันหันแรงกับกิเลสผู้ใดจะมาภาดฟันหันแรงอยู่ด้วยกันนี้ ทุกทางใจก็หมดไม่มีสิตใดเหลือเลยนั่นจะว่าบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ที่ทนี่ถนัดสกิตะประโยชน์ปันหอืงทําจิตให้พองแผ่จนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์ถ้าทําแบบพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วมันต้องบริสุทธิ์ได้สิเพราะกิเลสเป็นสิ่งที่แก้ได้ปราบได้ทําลายได้ถ้าทําลายไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าไม่มีองค์ใดปรากฏขึ้นในโลกได้ไม่มีผู้ใดบริสุทธิ์ได้ ส้างเป็นคนมีกิเลสแบ ก, กี่เด็สตลอดเวลาทุกตัวสัตว์โลกไม่มีแม้แต่ลายเดียวที่จะพ้นทุกข์ได้นี่เราเคยเห็นม่ใช่หรือสําหรับตํนานาพระพุทธเจ้าที่ตรัสรุปมา น, นี้กี่ร้อยกี่หื่นกี่แสนกี่ล้านพระองค์ด้วนแน่ตั้งแต่เป็นผู้หลุดพ้นจากกิเลสเหยียบย่ําทําลายกิเลสสมมุติภาณใ น, ในใจิตใจให้ขาดกระเด็นออกไปจากจิตใจทั้งหมดจึงเป็นผู้พ้นโลกแห่งวัตฏะคือความเกิดแก่เจตตายไปเสียได้ และสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระ อ, องค์นั้นมีจํานวนมากเพียงไรท่านเหล่านี้เป็นผู้หลุดพ้นไปได้หมดเพราะอำนาจมัชฌิมาปฏิปทานี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะมีอำนาจเหนือกิเลสและกิเลสจะกลัวกลัวเท่านี้กิเลสเราเป็นน้าปฏิบัติต้องเอาให้กินให้จัลูกศิษย์ตถาคตไม่ปรากฏว่าได้ทรงสั่งสอนให้มีความพทอแท้อ่อนแอเลีวไหล เมีจะสอนให้กินให้จังทุกอย่างไม่ว่ากิจนอกกันใหนให้มีสติทําด้วยความจงใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะมาเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราภายในนี่แหละสติภายนอกเวลาใช้าภายนอกก็เป็นสติใช้าภายในก็เป็นสติใช้าภายนอกก็เป็นปัญญาใช้าภายในก็เป็นปัญญาคนที่เคยฉลาดแสดงออกข้างนอกก็ฉลาดแสดงเข้ามาทางในก็ฉลาดคนที่เคยเคยโง่เป็นนิสัยสันานาโง่ สแสดงเาข้างนอกก็โง่สแสดงเข้ามาภายในก็โงูนั่นมีพระพจ้าสอนให้กำจัดความโงูกสาวบอบปัญญา น, นี้ออกด้วยกุศลสูตรสมปัญามีความฉลาดยัง จ, จิจแจของตนให้ฉลาดด้วยการอบรมเมื่อฉลาดแล้วยอมจะสามารถทราบได้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ภายในตนและเกี่ยวข้องกับตนตลอดโลกธาทมจะทราบไม่ได้ พระพุทธเจ้าทรงทราบมาแล้วสาวกทั้งหลายได้ทราบมาแล้วได้พ้นมาแล้วจากมัจฉิมาปฏิปสาเหตุไรเราจึงจะมากอดคำภีรมัจฉิมาปฏิปทาตั้งแต่ชื่อกิเลสตั้งแต่ชื่อของธรรมไม่ได้เห็นตัวกิเลสอย่างแท้จริงพายใจิตใจไม่ได้เห็นธรรมอย่างแท้จริงโทขึ้นที่ใจนี้บ้างเลยเราไม่ละอายคำพีบ้างเหรอแล้วไม่ไมละอายพ้าเหลืองมเจ้าบางเหรอไม่ละอายบาศ สบงจีวรซึ่งเป็นบริขารของท่านผู้รับชัยชนะมาบ้างเหรออภินาถมันจริงที่นักปฏิบัติถ้าลงได้จริงแล้วอย่างไรก็ไม่พ้นที่จะหลุดพ้นไปได้วันนี้ได้อธิบายถึงเรื่องธรรมสามข้อสรุปลงแล้วก็มาอยู่ที่สกิตะประโยชน์ปังเป็นพราะว่าของพระเจ้าทั้งมวลทีเดียวมีรวมเท่านี้ไม่มีอย่างอื่นเดี า, ากนสงสยัย ไม่ปรากฏว่ามีอู่มีเปลมีหมอนอืมีความสะดวกสบายสําหรับรับรองพวกเราที่คนเป็นคนขี้เกียจไว้ให้อยู่สบายสบายที่เด็ดเรานอนหลับอยู่ที่เด็ดก็หลุดลอยอไปหลุดลอยอไปอยู่บนเปะบนหมอนที่ไหนที่นอนหมอนมุ้งที่ไหนอืความเพลิดความเพลินอยู่สบายสบายด้วยความสบายก็าตามที่เด็ดหลุดไปลอยไปไม่มีในหลักธรรมของพระเจ้า มีแต่ฟาด ฟ, ฟันลงไปด้วยพระให้มันสบั้นหันแหลกกันลงไปด้วยควมภาคเพียนอาตายก็ตายลูกศิษฐาคตตายในสนามโลกเป็นเกียดแก่ตัวเองมีะไรอย่างนั้น <c oughs> มีทำทั้งสามข้อนี้ก็ได้อธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังเป็นสิ่งสำคัญและผู้ที่จะนำ ทำเหล่านี้ออกแสดงได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มขั้นเต็มภูมิก็ต้องเป็นผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้รู้ในแง่หนักเบาระหว่างแห่งกิเลสกับธรรมที่ต่อสู้กันไม่มีผู้ใดที่จะทราบแง่หนักเบาของกิเลสกับธร ร, รรมมีสติปัญญาธรรมเป็นต้นห้ามหันกันหนักเบาแค่ไหนควรจะต่อสู้กันขนาดไหนหนักเบาขนาดไห น, น, ไหนกับกิเลสประเภทใด เป็นภาคปฏิบัติเท่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้รู้ผู้เห็นจะเป็นผู้ดิดต่อสู้ในสงครามและผลที่พึงได้รับได้จากชัยชนะก็คือผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลเต็มหัวใจมีอยู่เท่านีน้ไม่มีอย่างอื่นขอให้พากันเป็นที่เข้าใจลงใจกับการปฏิบัตินี่คือเพื่อมรรคผลนิพพาน จสมมกสมมติสมหมายในวันนี้ต่อไปนี้ท่านปัญญาอธิบายอีกตัวหนึ่งไปดูเลยกัน